สวัสดีวันนี้ก็จะได้มาพบกับท่านทั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องต้อนรับก็เอาธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องต้อนรับเรียกว่าธรรมะปฏิสันฐานเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรจะนำไปกาหนดจดจำ ในวันนี้ก็อยากจะพูดลำดับของการทำสมาธิเอาว่ากั น, นแต่ต้นในเริ่มต้นนั้นการทำสมาธิจะมีอยู่สองอย่างเดินจงกรมและนั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นเอามือขวาจับมือซ้ายวางไว้ที่ท้องแล้วก็เดินไม่เร็วนะักแล้วก็ไม่ช้านะัก แล้วก็ขึ้นต้นด้วยแบผบพรมวิหารคือเมตตากรุณามรุตาอุเบกขาแล้วก็นึกุทโไปจะสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็ได้แล้วก็ตอนจบ ก, ก็บอกว่าสเพสตาสุขิตาหุนตุ้ยสัตว์ทั้งหลายจบเป็นสุขเปสุขเสร็ก็ถือว่าจบการเีนจงกรมนั่งสมาธินั่น ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนจับหลับตาแล้วก็อธิษฐานถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมสงฆ์และคุณของพิจามันดาให้มาประดนบรรดาลใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็ว่าพุทโธทโมุสังโธสามครั้งแล้วก็นึกพุทโธพุทโธแล้วก็หลับตา เราจะเอาห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมงก็ตามใจนี่คือวิธีการทําสมาธิเมื่อทําสมาธิเริ่มต้นนั้นก็จะมีอารมณ์อารมณ์นั้นจะมากมายเข้ามาแต่ก่อนที่ไม่ได้ทําสมาธิเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรแต่พอเวลาเข้ามาทําสมาธิแล้วอารมณ์มันก็จะเกิดขึ้น เพราะเราเหมือนกันครับเราลืมตาเราคือจะมองเห็นแต่ก่อนเราไม่ได้ลืมตาเราก็เลยแม้มองเห็นไม่เห็นอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์จึงมากมายเหลือล้อนเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธอารมณ์แม่เป็นร้อยเป็นพันมันก็คงเหลืออารมณ์เดียวนี่ทำให้เกิดความเบาขึ้นมากมาย เมื่อเหลืออารมณ์อันเดียวก็เรียกว่าเป็นเอกกัตตารมเมื่อเป็นเอกกัตตารมและจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิดพลังจิตแต่ ท, ทั้งหลายขอให้ทราบว่าการทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายต้องการพรลังจิต เพราะว่าพลังจิตจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในชีวิตของแต่และบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อทาสมาธิครั้งหนึ่งเราก็ได้พลังจิตทำสมาธิครั้งที่สองเราก็ได้พลังจิตเนี่ว่ากันตามปกติเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมาแล้วพลังจิตก็จะแทรกซึมเข้าไปในจิตเมื่อแทรกซึมเข้าไปในจิตก็ฝังซ่นิจอยู่ในจิต เมื่อฝังสนิทอยู่ในจิตแล้วก็ไม่เป็นไหนก็อยู่ในจิตของเราตลอดกาลเมื่อเราทำก็เพิ่มพลังจิตอันนี้เพิ่มขึ้นไปทีนี้อันดับต่อไปเมื่อพลังจิตของเราได้ถูกสะสมคือทำสมาธิหลายครั้งก็พลังจิตในของเราได้ถูกสะสมเมื่อสะสมมากขึ้นก็กลายเป็นกลุ่มก้อน เมื่อกลายเป็นกลุ่มก้อนก็จะกลายเป็นกระแสอันนี้เมื่อเป็นกระแสแล้วนี่กระแสจิตนี้ก็จะทําให้เกิดผสมวัชฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานก็นแล้วแต่เมื่อเรานั่งสมาธิเกิด ค, ความเย็นอกเย็นใจสบายนั่นแหละให้คิดว่าจิตมันเป็นฌานฌานนี้ท่านเปรียบเหมือนกันกันกบรสอาหาร สมาธิหรือพลังจิตเนี่ยแเปรียบเหมือน ก, นกันกับอาหารเพระาะฉะนั้นชานั่นอนะ่ะก็ให้ความสุขเหมือนกันกันกบความอิ่มหรือว่าความอิ่มอร่อยอ่ะเหล่านี้มันให้ความสุขแต่ความอิ่มอร่อยไม่ได้ไปเป็นวิตามินโปรโตีนแต่ว่าถ้าไม่มีความอิ่มอร่อยเราก็ไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะรับประทานอาหารเมื่อเวลารับประทานอาหารเข้าไปแล้ว ก็จะไปเป็นวิตามินโปรตีนนั่นเกิดขึ้นมาจากอาหารความอิ่มอร่อยนั่นเป็นสิ่งที่เพียงชวนให้เรารับประทานเท่านั้นเช่นเดียวกันกับฌานต่างๆฌานต่างๆนี้เกิดขึ้นจากกระแสของจิตถ้าหากว่าจิตยังไม่มีกระแสฌานจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเมื่อพลังจิตมีเกิดกระแสแล้วฌานก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นเรื่องของอัตโนมัติที่มันจะเป็นไปตามปกติของการบำเพ็ญสมาธิสมาธิเนี่ยจะต้องมีการวางรากฐานคือเขาเรียกว่ารากฐานที่เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะดำรงสมาธินี้ ให้มีความมั่นคงต่อไปอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าจะอธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั้นจะต้องมีเวลามีเวลาเพียงย่อๆก็อธิบายย่อๆแล้วก็คอยสดับตรับฟังว่าเมื่อทำสมาธิไปแล้วการเลื่อนขัน้นเลื่อนชั้นหรือการเป็นไปต่างๆนั้น เราจะกระทำอะไรกับสมาธินั้นท่านก็มีวิธีอธิบายให้เข้าใจแต่วันนี้ก็คงจะอธิบายให้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีส